ไม่ใช่ว่ามาลิเริ่มเอาใหม่วันที่พระพุทธเจ้าของเราจะได้ตรัสสูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั่นพระพุทธเจ้านั่งกรรมฐานนั่งสมาธิใต้ต้นไม้โพที่คนเรา นับถือต้นไม้โพว่าเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าได้อาศัยล่มเงานั่งกรรมฐานภาวนา <c oughs> จนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต้นไม้ต้นนี้อยู่ประเทศอินเดียแต่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วความนับถือต้นไม้โพก็ทั่วไป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 ไม่ใช่นั่งเล่นๆพระองค์นั่งเสียสลัทุกสิ่งทุกอย่างเสียสลัมาตั้งแต่สเสด็จออกบรนพรชาอายุยี่สิบเก้าปีก็ยังไม่เท่ารามเวลามาเสียสลัภาวนานั่นอีก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 ไม่ไปไหนตลอดวันก่อนนึกว่ า, า, วาพระฤาษีตนนี้คงนอนทิ่นี่แน่ๆไม่ไปไหนแขกคนนั้นก็มีศรัทธาไปเกี่ยวเอาญ่าคามาได้แปดกำเอามาน้อมถวายพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็รับเอาญ่าคาตั้งแปดกมนั่นแหละ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 แต่ว่าอย่างปีนี้นั่นเดือนหกก็ยังไม่ชื่นเท่าไรเมื่อพระองค์ได้หญ้าคาเท่านั้นแหละไม่มีเสื่อศาสอาสนะใดๆเอาหญ้าคาเป็นที่นั่งเอาลกขมูลล้มไม้โพเป็นลอมเงาถ้าฝนตกก็เปียก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 ไม่ลกไปที่ไหนถ้าไม่ได้ตรัสสลูเป็นพระพุทธเจ้าก็ยอมตายในที่นั่งนี่แหละแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่นหนังหุ้มกระดูกก็ตามทีอย่าไม่ลกไปมาในที่ใดๆทั้งนั้นเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้ว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 พระพุทธิเจ้าเองก็ยังไม่ได้ตรัสแต่ว่าบำเพ็ญบรารมีมาสีอสงไขแสนมาหากับครบถ้วนแล้วเต็มบริบูรณ์แล้วยังเหลือโยแต่ตรัสสลูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเท่านั้นพระองค์ก็เลือกได้ว่าลมหายใจอนาปาลมหายใจเข้าออก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 ก็คือใจของพระองค์วางเฉยเหมือนแผ่นดินความเจ็บปวดทุกขเวทนาอันเกิดมีขึ้นในลูกประขันพระองค์ไม่เกี่ยวหน้าที่อย่างเดียวคือพระองค์เพ่งลงไปสู่จุดลมหายใจดวงจิตดวงใจผู้รู้โยรู้ว่าลมหายใจเข้าออกยาวสั้นหยาประเอีดอันใดอยู่ตลอดเวลานั้น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 สร้างศรัทธาความเชื่อศรัทธาแปลว่าความเชื่อความเลื่อมใสในใจให้เกิดมีขึ้นให้เต็มที่คนเหล่านั้นไม่ว่าจะทำกิจกรรมการงานใดๆก็ตามถ้าศรัทธาความเชื่อในสิ่งที่ตนประกอบกระทำนั้นเชื่อแน่วแน่มั่นคงแล้วทำอะไรก็สำเร็จได้ เพราะศรัทธาความเชื่อนี้เป็นหลักสำคัญศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเรียกว่าภลระทั้งห้าเมื่อภลระกำลังทั้งห้านี่แหละมีในจิตใจของผู้ปฏิบัติแล้วย่อมไม่ท้อถอยดูพระพุทธเจ้าในคืนวันนั่นเอง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 พระองค์ก็เสด็จไปตัดพระธรรมเทศนาสอนตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สูงสดุดเป็นกิจของพระพุทธเจ้าตอนพบขําอย่างเราท่านทั้งหลายมาณเวลานี้เรียกว่าปะโดเซฟิกุโอวาดังพระองค์ก็ประทานโอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์ ภิกษุภิกษุณีสามมาเณรสามมะเณรลีผ้าขาวนางชีลือสีผู้สละจากราวาสญาติโยมแล้วไม่เกี่ยวกเกาะกังวลด้วยอารมณ์ค <c oughs> รวาสมาปฏิบัติบูบชาภาวนาทุกคืนพระองค์ก็มาตัดสอนสมาธิภาวนาให้ สาวกทั้งหลายก็ตั้งใจฟังด้วยดีเมื่อเสร็จแล้วก็เลิกลาไปเดินจมกรมบ้างนั่งสมาธิภาวนาชำระจิตใจของตนของตนให้บริสุทธิ์ผองใสจนถึงขั้นได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานสาวกในขั้งพุทธการอุ้นท่านตั้งใจ หลังจากพระสาวกเลิกลาไปแล้วกิจอีกอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าของเราก็คือว่าแก้ปัญหาของเทวดาอัธรเตเท ว, วปัญหาหนังคำว่าเทวเทวดาตั้งแต่ภูมิเทวดาจาตุมมหาลาจิกาขึ้นไปตลอดจนถึง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 ในมนุษย์โลกเทวโลกพร ม, มโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพระปัญญาญาของพระพุทธเจ้าได้เทวดาพยาอินพยาผมผู้ที่มีอินทรีบาลามีแก่กล่ามาฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา้าก็ได้บรรลุมรรคผลถึงซึ่งนิพพาน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 ก็จะเห็นด้วยกำลังจิตใจของตนผู้ภาวนานั่นหลังจากเทวดากลับไปสู่หอปราศาสลาดสมุนทินแล้วก็ยังมีกิจอีกกิจหนึ่งคือธรรมดาพระพุทธเจ้านั่นจวนจะแจ้งจวนจะสว่าง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 คือถ้าผู้ใดสาวกองใดคนผู้ใดมีอินทร์บารมีเกียกา้าเกียรยงถึงพระพุทธเจา้าเรียกว่าพุทธะเวไนเป็นเวไนพระพุทธเจา้าบุคคลผู้นั้นพระพุทธเจ้าเทศนาธรรมอย่างเดียวจึงตั้งใจ ทำความเพียรละกิเลสได้พระองค์ก็เทศสอนพุทธเวไนยถ้าหากว่ามานุษย์และเทวดาทั้งหลายเป็นสาวกเวไนยพระสาวกเจ้าทั้งหลายมีพระอรหันตตาเป็นต้นเทศนาสั่งสอนก็ยอมฟังเลื่อมใสศรัทธาปฏิบัติบูบชาภาวนาละกิเลสได้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 ไม่ได้เพ่งมองมาดูกายวาจาจิตของตัวเองอำนาจกิเลสนั่นแหละมันพาเข้าป่าเข้าลกวุ่นวายไม่สงบประับตั้งมันเวลาอยากบวชก็ลองให้น้ำตาไหลเวลาอยากศึกก็ลองให้น้ำตาไหลคือว่าไม่ตั้งใจภาวนาจริงๆ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 นิพพานนั้นไม่ใช่อยู่นอกฟ้าป่าหิมา่านไม่ใช่อยู่ต้นไม้ภูเขาไม่ใช่อยู่ที่น้ำที่ทะเลบนฟ้าอวากาศก็ไม่มีนิพพานมันอยู่ในใจมนุษย์ใจเทวดาอินพรหมนี่เองเราทุกคนก็มีนิพพานอยู่ในใจแต่ว่าการปฏิบัติ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 ทันว่าเรื่องราวอะไรที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วก็ไม่เก็บมาคิดนึกใหามันยุ่งสมองยุ่งใจภาวนาพุทธโธอยู่ในดวงใจใมันแน่วแน่มั่นคงโยภายในนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นจุดที่เราจะต้องรวมจะต้องสงบก็คือว่าคําว่าจิตคําว่าใจนั้น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 เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกเป็นอนัตตาขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งโลกทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุท้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเต็มโลกนี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมผู้ใดโอปนยิกรรม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 นอนอยู่ก็สบายตื่นขึ้นก็สบายเพราะจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนีภาว น, นาอยู่ไม่หลงไหลไม่ติดข้องปัวพันอยู่ในกิเลส ข, ของโลกเมื่อเราทุกๆคนเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนภายในจิตใจของตนกลงนี้ได้แล้วการปฏิบัติภาว น, นาก็จะไม่ลุ่มลุมดอนดอน จะภาวนาได้เรื่อยไปอยู่ที่ไหนก็ภาวนาที่ใจนี่แหละไปที่ไหนก็ใจนี่แหละพาไปนั่งสมาธิภาวนาก่อนนั่งในใจเอาจิตใจดวงนี้ให้มีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวทําใจดวงเดียวให้เป็นเอกังจิตตังเป็นจิตดวงเดียวให้เป็นใจเป็นหนึ่งเป็นดวงเดียวอยู่ภายใน กิเลสมานสังขารมานมากน้อยเท่าไรเราไม่ตามมันไปละทิ้งให้หมดสิน้นยังจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี้ให้ผ่องใสสะอาดไม่ยึดมั่นถือมั่นในชาติในตะกูลในตัวในตนในเราในของของเราไม่ให้ใจหลงไหลไปติดข้องพัวพันธุ์ใดๆทั้งหมด ทรัพย์ินเงินทองวัตถุเข้าของที่มนุษย์คนเรายึดมั่นถือมั่นอยู่นี่เป็นสมบัติของแผ่นดินยังไม่ตายมันก็จมแผ่นดินอยู่นี่แม้เราตายลงไปเมื่อใดเวลาใดวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองก็จมเป็นดินไปรูปประคันร่างกายของเราทุกคนก็ทับถมซึ่งแผ่นดิน เอาไปไม่ได้เพราะว่าสมบัติเหล่านี้ได้ขึ้นมาจากแผ่นดินเมื่อหมดกำลังแล้วก็จมแผ่นดินอยู่นี่ผู้ปฏิบัติธรรมกรรมาฐานในทางพุทธศาสนาจงรวบรวมกำลังจิตใจของตนให้เข้ามาตั้งมัน่นในจิตใจดวงที่รู้อยู่ในปัจจุบันขณะนี้เวลานี้เท่านั้น สิ่งภายนอกอกไปไม่ไปเกาะเกี่ยวงงเหนียวเห็นว่ามันเกิดได้มันเกิดแตกคำลายได้ไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปเพราะในโลกเหล่านี้อนิจจังคือความไม่เที่ยงทั้งโลกทุกขังใครมายึดถือก็เป็นทุกขในจิตในใจในตัวนี่แหละ อานาตาคือว่าไม่ใช่ของใครไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจิตมันไปหลงยึดเอาถือเอาต่างหากมาทําความเพียนเพ่งอยู่ในดวงจิตที่รู้อยู่นี่แหละนั่งก็รู้กายรู้ใจของตนอยู่ยืนก็รู้กายรู้ใจของตนอยู่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 สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโคโวินัสตุมาเตปวัตะวันตรายโยสุขิติคาโยโกภวะอภิวาธนาสีริสเิจังวุธาปจายิโนโจัตโตารุธรรมะวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังพระพุทธเจ้า ท่านตัดไว้ว่าเสนาสนะสบายยะที่อยู่ที่ภาวนาเป็นที่สบายหมายถึงเป็นที่วิเวกเงียบสงัดเยือกเย็นไม่มีอะไรผุพานท่ามผาปลองนี่ก็เป็นเสนาสนะเป็นที่สบายแห่งหนึ่ง เมื่อเราทุกคนมาโซสถานที่สบายเช่นนี้แล้วยองพากันตั้งใจปฏิบัติภาวนาให้เอาชนะกิเลสในใจของตัวเองให้ได้กิเลสคนเรานั้นก็ไม่มากมายอะไรเกอว่ากิเลสความโกรธ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 ต้นไม้โพคือพระพุทธเจ้ามาตรัสถิยานบริบูรณ์ในลุกกโมวลล้มไม้ต้นนี้เมื่อมาถึงต้นไม้นี้แล้วพระองค์ก็รู้สึกมีความปีติยินดีในต้นไม้ต้นนี้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 กำลังหนุมแน่นแข็งแรงนับว่าเหตุการ์มันก็บันดมบันดาลมารวมกันเข้าพระองค์มาลำลึกว่ามันจะมีอะไรที่บกพร่องอยู่หรือบุญบรารมีที่พระองค์บำเพ็ญมาในบารมีสิบบารมีสามสิบทัก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 ไม่พอแท่อ่อนแอในหัวใจเมื่อนั่งเสร็จเรียบร้อยพระองค์ก็ลำลึกอีกว่าจะเอาอุบายทำอันใดหนอมาภาวนาจึงจะได้ตัดเป็นประสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ความขึ้นมาในจิตใจของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง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 นามารูปังทุกขกอ <c oughs> <c oughs> นนามในรูปนี้เป็นทุกข์ไม่ใส่สุขสบายเหมือนแต่เก่าก่อนมานามารูปังอมตะนามในรูปนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราของพระองค์แจม่มแจ้งชัดเจน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 เมื่อตัดอารมณ์กิเลสเหล่านี้ได้เจตใจพระองค์ก็แจ้งใสสว่างเรว่าสว่างแจ้งหมดไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังเจตใจพระองค์ก็เรียกว่าตรัสโลพระอนุตตรสัมมาสัมพโพธิญาด้วยการสละชีวิตแลกเอา คือพระองค์นั่งภาวนาข้างนี้เป็นข้างสุดท้ายถ้าเกิดว่าภาวนาตักกิเลสไม่ได้พระองค์จะไม่ลุกจะยอมตายในที่นั่งนี้แต่บังเอิญกิเลสลาคะโภสะโมหะโซนำพระไทยใจพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็เลยดับไป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 ลมหายใจเข้าออกมองเห็นชลาพยาธิมรณะเต็มกายเต็มใจอยู่ทุกวันเวลาเอาจนจิตใจเราทุกขนนั่นคองหนักแน่นลงไปให้ได้ตั้งแต่คืนนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปแม้เราจะลบจากที่นี่ไปก็ตั้งใจสัจจาอธิษฐาน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 ดังแสดงมาก็สมควรแก่กาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละชนีสัพพิติโยวิวัตฉันโตสัพพะโลกโควินัชโตมาเตปวัตตวันตรายโยสุขิธีคายูโกภะ อัธิวาทนาสีริตสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตารอธรมมาวทันติอายุวันโนสุขังพากลา